เก็บงงาให้ของใช้เป็นสอยต่างๆจะเรียนแบบอุปช า, าจารอย่า น, นี้ไม่ได้นะไม่ถูกอ่ะก็เราเป็นผู้น้อยเราเลยพุ่งพึ่งบวชมามันต้องฝึกให้รอบครอบในหน้าที่การงานมันต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> แล้วก็ได้ทราบว่านี่ไอ้พระเนี่ยก็ไปทำงานแข่งกําเน้นไปด่ายาขุดดิน อะไรอย่างนี้มีเหรอใครทำอ่ะบอกมาสิใครทำอะใครแล้วทำอ่ะยกมือขึ้นลงดูสิยมงมีใครทำเหรออย่าไปทำนะต่อไปนะถ้าใครทำแล้วก็ดี ทำแล้วให้แสดงอาบัตขุดดินก็เป็นอาบัตตัวหนึ่งขุดลงทีหนึ่งก็เป็นตัวหนึ่งนะขุดลงสองทีก็เป็นสองตัวตัดไม้เหมือนกันฟันลงทีหนึ่งเป็นอาบัตตุปจิตีตัวหนึ่งฟันลงสองทีก็เป็นสองตัวต้องให้เข้าใจคข้ามาปจิตีก็คือบาปนั่นเองนะบาปนั่นแหละ อย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ว่าไม่เป็นโทษไม่เป็นบาปเป็นแต่ชื่อเฉยๆคำว่าปาจิตีอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะปาปังแปรปา่ปาปาับอื่แหลจิตเป็นบาปไม่เคารพตัววินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามไว้แล้ว เราบวชมาแล้วจึงสอนเนี่ยังยังบอกอยู่ในโบทนะบอกแล้วเราจะเป็นพระเป็นเจ้าอยู่ได้ก็เพราะวินัยเราเคารพต่อวินัยถ้าพระเราบวชเข้ามาแล้วไม่เคารพต่อวินัยทําร่วงวินัยไปนี่มันก็ชาวบ้านเขาก็รังเกียจล่ะก็อย่างที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นกันมาอยู่นั่นก็เพราะสาเหตุที่ชาวบ้านเขาไม่เรื่อมใส เขาไม่ทำบุญก็เนื่องมาแต่พระไม่เคารพต ว, วินัยนะ่นะนะนั่นเองแต่ทนะอยากทำอะไรก็ทำไปตามชอบใจของตัวเองนะ <c oughs> แต่ว่าบางคนก็อาจไม่รู้เลยพ่พระชาว่านก็ไม่รู้วินัยของพระพระทำอะไรไปก็ไม่รู้ผิดหรือถูกก็ไม่รู้ ถาวบ้านเขาไม่ได้เรียนรู้เหมือนอย่างพระนี่ไอ้พระเราเนี่ยเรียนรู้กัแล้วมันยังขืนทำนี่แสดงอาบัติเขาไม่จกนะจะบอกให้ทําทั้งที่รู้รู้อยู่ว่าเป็นข้อห้ามอย่างนี้นะแล้วก็ไปล่วงทำอยู่เนี้ยไปทําแล้วไปแสดงอาบัติเอานีไม่ไม่มีทางนะแสดงอาบัติไม่จบจะบอกให้ มีบางคนเห็นไปยังไงก็มีนะนี่เอาไปทำแล้วเราก็ไปแสดงอาบัตเอาสิคุณวะในอย่างนี้นะี่บมันเป็นความเห็นผิดนะนี่นะไม่ใช่เห็นถูกอะ่ะนถ้าเตือนอย่างนี้แล้วใครยังไม่ขืนทำอยู่แล้วอย่าอยู่อย่าอยู่ในพระศาสานานี่เลยอยู่ได้ก็เป็นบาปเอาบาปใป่ตนจะบอกให้ เราบวชเข้ามาหวังเอาบุญเอากุศลนะไม่ใช่หวังมาสร้างบาปเมื่อสิ่งใดว่าพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นบาปเราต้องเว้นที่เราต้องการบุญนี่ทําไม่ละ บ, บาปอจะทำบุญให้เกิดได้ยังไงเพราะบาปกัาบุญมันเป็นปฏิปักษ์กันเมื่อบาปเกิดขึ้นแล้วบุญก็หายเมื่อบุญเกิดขึ้นแล้วบาปก็หาย ลองถามตัวเองดูสิบวดมาเพื่อหวังอะไรอะ่ะหวังมาเอาบุญหรือเอาบาปอมนนี้บาปมันไม่ไม่มีตัวมีตนอะไรอย่างที่เทศให้ฟังพวกนี้ฟังอยู่บ่อยๆอยู่มันเป็นธรรมารมเกิดขึ้นกับใจนั่นอ น, นี้เมื่อบาปมันเกิดขึ้นในใจทำใจเศร้าหมองฟุ้งซ่านภาวนาก็ไม่เป็นบเนี้ ทำใจสงบลงก็ไม่ได้บาปมันรบกวนเอานี่แหละคนไม่ครบต่ววินัยนะภาวนาม่เป็นหรอกจิตสงบลงไม่ได้นเป็นงั้นเพราะนั้นคำว่าอาบัตินี่มันหมายถึงโทษหมายถึงบาปทั้งนั้นหลยให้เข้าใจแต่ผู้กำลังจะบวชอยู่ก็เหมือนกันให้รู้ไว้ ถ้าหาว่าคิดว่าจะปฏิบัติตามพระวินัยไปแล้วยาบวชออยาบวชให้ให้เข้าใจอย่างนั้นนี่ขอเตือนไว้เนิ่นๆนะสำหรับผู้ที่จะบวชนี่นะให้กรวดดูวินัยเสมอก่อนบวชอเราจะสามารถปฏิบัติตามได้ไหมอย่างนี้นะถามตัวเองดูเมื่อกวดดูแล้ว ตัวเองว่ามีความสามารถปฏิบัติตามได้อย่างนี้ก็จึงค่อยบวชถ้าว่าเกิดท้อใจแล้วอย่าบวชเลยบวชมาแล้วเดี๋ยวที่ไปล่วงที่ขาบวน้อยใหญ่เข้าไปก็เป็นบาปเป็นโทษบวชมาก็เอาแต่บาปบุญไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนี้นะให้เข้าใจนะเพราะนั้นเราบวชมาหวังสร้างบุญสร้างกุศล ในขณะเดียวกันเราก็ต้องกันป้องกันบาปไปไม่ให้มันมาทำลายบุญกุศลที่เรากระทำบำเพ็ญ น, นี่นะให้มันสูญไปหายไปเหมือนอย่างเขาปลูกต้นไม้ลงในดินแล้วเขายังได้หญ้าออกเสมอเสมอนั่นนะก็เพื่อไม่ให้ต้นหญ้ามันไปแย่งกินอาหารของต้นไม้ที่มีผลนั้น นั่นลูกเปียนภายนอกเราก็เห็นได้ชัดๆอยู่แล้วนะนั่นนี่ธรรมดาหญ้ามันก็เป็นศัตรูของต้นไม้ที่มีผลตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขาไปปลูกต้นไม้ที่มีผลลงตรงไหนแล้วย่ามันขึ้นตรงนั้นเนี่ยอืมอันนี้ทั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยคนเราพอน้อมคิดลงสู่บุญกุศลจะทําบุญสร้างบุญกุศลทําความดี ไอบาปมันก็แทรกขึ้นมาในใจเนือนที่เป็นบุญกุศลอยู่นั่นแหละมันแทรกขึ้นมามันเมื่อมันแทรกขึ้นมาแล้วมันละไคให้มีความเห็นผิดเป็นชอบไปเลยบ้านี้น ะ, ะเมื่อบาปมันยอมใจเราเห็นว่าทำอย่างนั้นไม่เป็นหรอกไม่เป็นบาปหรอกอก็บาปมันยอมใจให้หนานี่มันไม่บางนะบารี ่ใจมันหนามันกระ ด, ด้างเลยมันไม่กลัวบาบเลยอ่ ะ, อะมันไปนอย่างนั้นเลยถือว่าคุณธรรมญัติไม่มีไม่มีความหมายอะไรเพราะมันขัดต่อความประสงค์ของคนที่ขาบทนี้ไม่รักษาเลยร่วงหมดเลยเอ้าเมื่อร่วงไปแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรกระเซยเฉยอยู่นี่นี่คนส่วนมากมาเกิดเห็นอย่างนี้นะี่เรื่อง ม, มนะันอ่ะ ก็ยังจึงว่ายังได้พูดให้ฟังมาอยู่บ่อยๆ อ, อยู่นั่น เ, เองบุญกรรมบาปกรรมที่ทำมาในชาติก่อนมันติดตามมาให้ผลในชาตินี้บุญกรรมบาปกรรมนี่บา ป, บาปกรรมที่ทำในชาตินี้มันจะตามให้ผลไปในชาติหน้าต่อไป อ, อมันเป็นอย่างนี้มาถึงว่ากรรมดีกรรมชั่วให้ผลให้ผลแบบเป็นปรูปธรรมนะ ที่กำลกีกรือกำช่วให้ผลส่วนที่เป็นนามมาทำให้ผลในปัจจุบันนี้แหละอืมทำดีนําชั่วในปัจจุบันนี้ก็ให้ผลในปัจจุบันนี้แหละให้เกิดความรู้สึกในใจนูนะ้นว่าจิตใจขุนมัวเศร้าหมองจิตใจดุร้ายอใครทําอะไรไม่ถูกใจแล้วก็เกิดหุดหิตเกิดความโกรธขึ้นในใจ แต่เช่นนี้นั่นนั่นให้รู้ไว้เลยว่านั่นแหะบาปมันแทรกขึ้นมาบาปมันแทรกขึ้นมาในใจคนผู้ไรีรู้ตัวเขาเชื่อว่าตนดีอยู่นะอโกรธเพื่อนหาหนทางรบร้างเพื่อนกําจัดเพื่อนอย่างนี้นะผมคิดอย่างนี้เขาจะ เ, เป็นคนคิดดีนี่คนหลงอะ่ะอย่างนั้นนะมันถึงทําได้เรื่องมัน่ะ ถ้าไม่คิดเช่นนัมันจะไปเบียดเบียนผู้อื่นได้ยังไงอ่ะมันจะไปลบล้างคนอื่นได้ยังไงอ่ะ น, นั่นเองนั่นแหละคือบาปคือตัวบาปมันเกิดขึ้นในใจต้องให้รู้ไว้นี่แหละมันทําใจคนกระด้างกระเดือ่องไม่กลัวบาปกลัวความชั่วทั้งหลาย น, นใครจะนินทาว่ารักก็ช่างได้ทําแล้วเอาละอืม ได้ทำอะไรตามชอบใจของตัวเราเอาแล้วแวมันจะผิดระเบียบผิดที่ในผิดกฎหมายอะไรไม่คำหนึง่งเนี่ยพูดเช่นนั้นอ่ะทำลงไปแล้วไม่ใช่ว่ามันให้ผลปัจจุบันอ่ะมันก็ดีอยู่นั้นเนี่ยเคยดียังไงก็ดีอยู่นั้นอส่วนดีนั่นอ่ะไอ้ส่วนชั่วนะ่ะมันทำใจให้มัวหมองอยู่ภายใน อันมันจะตามสนองรูปกายอันปัจจุบันนี่นะให้เกิดความวิบัติอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่ารูปกายนี่มันมีบุญกุศลที่เราทำมาแต่ก่อ น, น, นรักษาอยู่เพราะฉะนั้นอะไรอะไรก็ยังทำอันตรายไม่ได้ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นจึงถูกต้องพอหมดบุญเก่านี้แล้วบุญใหม่บาป ที่ทามานั่นอ่ะมันก็ถูมเข้าไปทันทีนะมันให้ผลเข้าไปรองรับอารมณ์จิตนั้นหรือว่าสุดคล้าดวงจิตนันไปตามอำนาจ ข, ของบาปกรรมนั่นทันทีเลยนี่เพราะคนเราเวลา จ, จะตายหรือว่าตายลงนี่ก็แสดงว่าหมดบุญแล้วมันถึงตาย น, นั่นเอะเป็นอย่างนั้นขอบุญหมดลงบาปก็รับช่วงต่อเป็นอย่างนี้ เหตุดังนั้นแหะคนเรามบางทีไปกลัวบาปนนในโลกนี้มันมองไม่เห็นด้วยปัญญานี่มันคอยที่ว่าถ้ า, ถ, าถ้าบาปมันมีจริงมันมีอนุภาพจริงเอาก็เราทําลงไปแล้วมันต้องฮะมาให้ผลในปัจจุบันนี้สิมันต้องให้เจ็บให้ป่วยให้ร้มให้ตายลงปัจจุบันนี้สินั่นมันก็เห็นไปอย่างนั้นในแบบนี้นะคนเรานะี่ย นั่นแหลมันเห็นไม่รอบคอบอ่ะมันไม่ได้คิดพิดจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนเหตุ น, นั้นนะ่ะจึงว่าให้ฟังเราจรึงได้ฟังเราจรึงได้เรียนรู้ในคําสอนของพระเจ้าเหตุที่สันเอาคําพูดมาพูดให้ฟังอย่างนี้นะ่ะคันฟังผิวเผนะินแล้วดูมันพูดนอกตำราไป เพราะในตำราท่านไม่แสดงว่าอย่างนี้ตำราแสดงว่าใครทำกรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นอ่าอย่างนี้นะ ก, ก, ก็ท่านแสดงว่าจะหัวข้อมันเฉยนี่นะแล้วไม่ได้อธิบายให้ละเอียดแต่ส่วนที่ท่านอธิบายส่วนละเอียดก็มีอยู่ในตำราเนี่ยนะเป็นไปนคนที่เรียนไปไม่มากยังเรียนไม่ถึงเลยอะ เพราะว่าพระธรรมคำสอนมีถึงแปดอื่นตีพ ร, พระธรรมขันอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องเราต้องพิจารณาสิถ้าเพืน่นเพื่อนพูดให้ฟังแล้วเหตุผลเป็นยังไงที่ท่านพูดนะอย่างนี้นะ ต, ต้องไข้ควรที่ว่าเป็นจริงไหมโดยเหตุผลแล้ว อ, อย่างนี้เลย ก็ให้เข้าใจอย่างนี้เรื่องมันนะอย่างคนเราเกิดมาในโลกนี้นะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่อย่างนี้นะะใครจะไปล่วงเกินกันไม่ได้ผิดกฎหมายเว้นเสียแต่คนมีกรร ม, มเวรเมื่อกรรมเวรมาถึงเข้าไปแล้ว มันกรรมเวรจากบันดานให้คนใดคนหนึ่งไปทำร้ายคนนั้นลงไปโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายต่อบาปกรรมอะไรต่ออะไรเลยไม่เลยนั่นแสดงว่าคนนั้นมีกรรมเวรอันร้ายแรงติดตัวมาจึงบันดาลให้คนอื่นทำร้ายชีวิตลงได้นี่ถ้าคนดีๆไม่มีกรรมมีเวรหนหลังอะไรมาอย่างนี้เออไม่มีใครจะมาทำร้ายร่างกายเลย นันดูซีแต่เราอยู่กันมาอย่างนี้นะบางคนก็อยู่มาจนเฒ่าจนแก่นี่ยังไม่มีใครไปทำร้ายร่างกายอะไรให้เสียองค์พระอภิญญะน้อยใหญ่อะไรไม่มีไม่มีเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นนี่นะอันนี้แต่คนบางคนทำไมจึงถูกเขาทำร้ายเอาจนเสียองค์พระหรือไม่ใช่จนล้มจนตายเรามาเทียบกันดูที่ในระหว่าง ที่คนถูกทำร้ายกับผู้ที่ไม่ถูกทำร้ายมันมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างไรนี่นี่ถ้าเราเห็นแจ้งในกรรมในผลของกรรมตามคําสองพระพุทธเจา้าเราก็ต้องรู้ว่าไอ้คนที่ถูกเขาฆ่าตายโหงเนะ่ะพวกคนมีกรรมมีเวรท่างได้ชาติก่อนมันก็คงได้ฆ่าเขามาไอ้กรรมนั้นแหะติดสอยห้อยตามมาเมื่อวันทันเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้น ไม่ใช่ว่าคนตายโหงเพราะเหตุว่าเป็นด้วยผีตรงนั้นมันดุร้ายมันทําให้ล้มให้ตายนรือว่าเคราะหเข็นเอ็นต้องของคนนี้มันร้ายกาจมาก อ, อไม่สะดอกเคราะไม่ผูกดวงอะไรไว้แล้วมันเกิดเลยตายพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงไว้อย่างนี้เลยเข้าใจพระองค์ไม่แสดงไว้เพราะอะไรล่ะ เพราะมันเป็นไปไม่ได้เรือมันนะอ่าชีวิตร่างกายอันนี้มันจะเป็นไปยังไงมันเป็นไปด้วยอํานาจแห่งกรรมดีกรรมชัว่วที่แต่ละคนทํามาแต่ในอดีตผลหลังนูน่นอ่กรรมดีกรรมชั่วที่ทําในปัจจุบันนี้มันก็ให้ผลทางใจแต่พวกไรทําชั่วลงไปจิตใจก็มัวหมองสมาธิภาวนาไม่ได้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย นั่นแสดงว่าบาปมันรบกวนมันไม่ยอมให้สงบลงได้เลยให้เข้าใจเถ้าผู้ใดไม่ได้ทำบาปหรือว่าทำแต่ว่าอธิษฐานใจแล้วิิันไปหมดแล้วไม่ทำอีกต่อไปแล้วตั้งหน้าทำแต่บุนกุศลความดีทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้นะลองไปภาวนาเพ่งดูจิตในขณะนั่นลองดูสิมันจะเป็นยังไงจิตใจอ่ะ ภาวนานึกถึงความดีที่ตนทำมาดูสิมันจะเป็นยังไงอ่ะนั่นแหละเื่อมันนึกถึงความดีแต่ความดีนั้นเนี่ย ว, ว่ามันเป็นของสะอาดหรือมีแสดงความดีมันก็เหมือนกับยาบำบัดโรคภัยนึกถึงความดีมาก็เหมือนอย่างบุคคลได้รับประทานยาเข้าไปยามันก็ไปทำลายโรคภัยในกายนั้น ให้ถอนออกไปแต่ร่างกายก็อยู่สบายขึ้นความสบายก็เกิดขึ้นมีแก่ร่างกายพีทัน้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อผู้ใดสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในใจแล้วอย่างนี้นะบุญกุศลนั้นมันก็ไปขจัดบาปกระทํากิเลสอันอย่างกลางอะ่ะซึ่งมันอํานาจของสมาธิมันจะกําจัดได้ เท่าไหรมันก็กำจัดออกไปเมื่อกิเรศอย่างกลางแล้วมันลังงับลงไปแล้วมันก็จิตใจก็เบิกบานส ง, งบเย็นสบายอย่างนี้แหละในระหว่างดีกับชั่วน่ะมันให้ผลทางใจอยว่านั่นแหละที่บุงคลกระทำในชาติปัจจุบันนี้นะให้บุคคลที่ทำมาในชาติก่อนไมนให้ผลทางกาย เช่นคนมีบาปติดตัวมาเกิดมามีร่างกายกทุกพนุภาพไม่สมบูรณ์พลุ่งุ่เหมือนเพื่อนผู้ไม่มีกรรมมีเวรเราก็เห็นกันอยู่ดั่ดเดินคนมีบุญติดตัวมาเกิดมาแล้วก็บุญก็สนตกแต่งร่างกายนี้ให้สมบูรณ์ครบถ้วน ท, ทุกอย่างเลยไม่ผิบัติเม้แต่อย่างเดียวอย่างนี้นะบุญมันที่บุคคลทาบุญในปัจจุบันนี้มันให้ผลในปัจจุบันนี้นะ ให้ผลนทางใจอย่างนี้ให้เข้าใจออย่าพอเข้าใจสับสนค่อยเขะไปบุญเป็นชื่อแห่งความสุขเมื่อเราทําใจให้เป็นสุขสบายได้แล้วหายกังวลด้วยเครื่องต่างๆนานาอย่างนี้นะแล้วมันก็สบายใจนั่นแหละเรียวกว่า บ, บุญนะไม่ใช่อย่างอื่นใด ความสบายจิตสบายใจนะั่นเรียกว่าบุญมันให้ผลบุญมันเกิดขึ้นในใจซึ่งตรงกันข้ามก็เมื่อใจเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละบาปมันปรุงแต่งอย่างนี้นะเราซอดสังเกตดูนี่แหละถ้าจิตใจเป็นอยู่อย่างนี้นะมันไม่แน่นอนเลยเมื่อตายลงไปแล้วนะจักไม่เศรามันจะไปนรกเพื่อจะขึ้นสวรรค์ รับรองไม่ได้เลยสิดใจเพราะว่าแต่ยังไม่ตายเนี่เดี๋ยวก็คิดเป็นอกุศลไปเดี๋ยวก็คิดเป็นทางกุศลไปอย่างงี้นะเราไม่ทราบว่าในระหว่างบุญกับในระหว่างกุศลกับอกุศลนะ่ะใครจะมีอำนาจกลัวกันเท่านั้นแหละถ้าบุญมีอำนาจเหนือกลัว มันก็เอาชนะบาปได้บาปก็ลังฮับไปบุญก็เจริญ ง, งอก ง, งามขึ้นในจิตใจทําให้ใจสงบใจเยือกเย็นสบายเหมือนมันเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าบาปอย่างว่านะมันมากกว่าบุญอย่างนี้นะบาปมันก็เอาชนะบุญได้มันก็สร้างอารมณ์ที่เป็นอกุศลคิดถึงเรื่องฆ่าเรื่องบะแกงเรื่องพยามบาทรจองเวรเรื่องรักเรื่องใครอะไรไปแต่เพือพ่อเพื่ ไม่ไม่นึกสะดุ้งกลัวบาปกรรมอะไรเลยความคิดทิ้งแค่นนั้นนะพอเมื่อเมื่อมันไม่รู้ตัวอย่างนั้นนะมันคิดสั่งสมบาปว่าเขาเป็นบาปมีกําลังมากเข้าขั้นแล้วมันก็มังคับให้จิตใจนั้นใช้กายวาจาทําชั่วพูดชั่วไปได้อย่างสบายสบายในเกลงกลัวต่อความชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์แต่อย่างใด นี่นะเราคิดถูให้ดีมันเป็นอย่างนี้แหละชีวิตของมนุษย์เรามันเป็นไปเหตุตามเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้นี่แล้วเราอยากไปดันให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกมาดนบันดาลให้ตนหายเคราะห์หายเข็นหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยอะไรต่างๆอย่างนี้นะมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะอืออมนาจแหกรคำ ขั่วที่บุคคลกระทำมาแล้วนั่นน่ะมันเหนือสิ่งใดทั้งหมดเียเพราะฉะนั้นบาป ก, กรรมอะไรจะมาแทรกแซงไม่ได้เลยไม่ได้ในเมื่อกรรมบาปกรรมเก่าอันนั้นยังให้ผลอยู่อย่างนั้นนะมันจะมาล้มลากทิ้งไม่ได้จะเสกจะเรียนอวบชมนกนกถาอะไรมาบริกรรมมาภาวนา ให้มันกำจัดกิเลสออกไปก็ไม่ได้ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นพาพุธเรานะอย่าเป็นจะไ่ไปสนใจในเวทมนตรคนาถาใครมาอวดอ้างว่าคาถานี่ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อย่างนี้ขนอะงควรที่จะถือไว้ถือตะกุดอันนี้ลูกนี่นะโอ้ดีจังนะอย่างโน้นอย่างนี้ราคาก็ไม่แพงขนาดตีห้าร้ยบาท มันก็ว่ากันเลื้อยเผยไปอย่างนี้เนี่ยไอ้พวกที่ไม่รู้จริงในชีวิตตามเป็จริงมันก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งเหล่านี้นจัดช่วยปกป้องรักษาชีวิตของตนไว้ให้ได้ก็ซื้อเอาของเขาเสียงอย่างนี้นะเอาซื้อมาแล้วมาถือไว้มาถึงเขาเจ็บแค่ได้ป่วยก็ป่วยลงถึงเขาบิบัดเขาบิบัตน้องอย่างนี้นะสิ่งเหล่านั้นนะ ช่วยไม่ได้เลยออถ้าหากว่าสิ่งสักนิดต่างๆมันช่วยได้มันจะมีใครตายเราในโลกนี้เราคิดดูให้ดีมันก็มีคนตายเลยเพราะว่าคนเกิดมาในโลกนี้เพราะว่ารู้ว่าภัยอันตรายจะ ม, มาถึงตันนี่อ้อนวอนเลยผู้ใดนับถือสิ่งใดก็นึกถึงสิ่งนั้นอ้อนวอนขอให้สิ่งนั้นมาช่วยตนในพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ นี่อ้อนวอนเวลาพู้รับเถิดชาพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเมื่อนึกถึงบุญถึงคุณเนี่ยนึกถึงบุญกุศลที่ทนบำเพ็ญมานึกถึงคุณพระรัตนไกรแก้วสามประการเอามารวมอยู่ที่จิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เป็นที่พึ่งที่อบอุ่นทางใจนี่นี่เมื่อผู้ใดนึกถึงสร้างบุญคุณอะไรตั้งกล่าวมานี่ให้เกิดขึ้นในใจได้ เช่นนี้นะใจก็สงบสบายจริงแล้วข้อนี้ผู้ปฏิบัติจะมึงรู้เองเห็นเองด้วยตนเองผู้อื่นรู้ให้ไม่ได้เลยอย่าไปหลงงมงายว่าไอสํานักนั่นนะไปภาวนาแล้วมีผู้พยากรณ์ให้เลยมีอาจารย์คอยพิจารณาทางในแล้วผู้นั้นฝึก้นไปมาแล้วก็ มาสอบอารมณ์เข้าไปแล้วเออคุณนี่ได้โสดาบันแล้วอะไรอย่างงี้นะมีอยู่ในศาสนานี่ทุกวันนี้นะคนพวกเชนั้ น, น่ะอวดอุตตริมนุษสธรรมอวดธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนถ้าเป็นพระก็ต้องอวบาปรหชิกโดยไม่ต้องสงสัยเลยอถ้าเป็นโยมอย่างนี้ก็มันก็มีบาปอยู่ในใจนั่นแหละมันมีบาปอยู่ในใจ มันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ต้องให้เข้าใจคนเราชาวพุทธแท้ๆนะเป็ น, เนผู้มีปัญญาแท้ๆนะแล้วทำไมยังมาไปหลงไหลไปในสิ่งที่ไม่ไม่เป็นสาระแสนสารอย่างนั้นไอ้พวกถือรัฐีภายนอกนั่นนะเขาสวดเขาอ้อนนอนกันมาแนละ้วไม่รู้ว่ากี่ชั่วคนแล้ว แค่ก็ไม่เห็นว่ามันมีชีวิตยั่งยืนมาได้ร้อยปีร้อยห้าสิบปีอะไรอย่างนี้สองร้อยปีอย่างนี้เนะี่ยไม่มีเลยคนเดียวก็ไม่มีเลยเออ่าแล้วนับถือมรรสศาสนาแล้วเป็นยังไงจะไม่ตายหรือตายคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้เป็นธรรมดาของสังขารร่างกายอันนี้เต่พระพุทธเจ้าสอนในพระพธรริษัชนนะ่ย รู้เท่าร่างกายนี่ตามเป็นจริงพร้อมด้วยเหตุด้วยปัจจัยอย่างที่ว่ามาแล้วแล้วนะก็มเมื่อ <c oughs> ให้บุคคลผู้ที่เชื่อต่อสิ่งภายนอกก็จะมาช่วยตวในให้พ้นได้ก็จึงไปอ้อ น, อ, อ, นอ้อนวอนวงสวงถ้าจนนับถือเทวดาก็เอาไปอ้อนวอนเทวดา ถ้านับถือพระอีสวพรพนาลายพระเยาวาพะยาโฮวาพระเยซูอะไรพ่กนี้นะก็ไปก็ไปอ้อนวอนถึงผู้มีซื่อทั้งหลายเหล่านี้นะอ่าผู้นับถือเทวดาชั้นต่ำเป็นลูกขัดเทวดาผมว่าเทวดาเป็นดีพึ่งมันก็ไปนึกถึงสิ่งเหล่านั้นมามาช่วยเหลือตนขอให้มาช่วยคาจัด คมยุ่งยากลำบากคว ม, มีบาดทั้งๆในชีวิตนี้ให้เ บ, บาวบางออกไปให้หมดไปสิ้นไปอย่างนี้ในที่สุดไม่มีอะไรแตกต่างเลยประนี้เคยเจ็บเค้อยู่นั้นก็เจ็บไปอยู่นั้นไง ห, หมอมาวางยาไงมันไม่เคยหายมาแต่ ก, ก่อนไม่ถูกมาแต่ก่อนเมื่อถูกยาก็ไม่ถูกอยู่นั้นเลยคนทัท่วไปก็ตายซ้ํำตายแล้วหาได้สํานึกไม่ไม่เลยคนสูญมากนะ โอ้การนับถืออย่างนี้นี่มันไม่ไม่เป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ใครได้จริงเ น, นื้อนี่เอาแล้วลูกข้างคนมันก็นยังมาตายอยู่นี่พอคิดได้นี่มันก็ทิ้งสิ่งที่ตนนับถือนั้นอะไรที่เขาแนะนําให้ น, ะนี่ตอนไปเที่ยวทุดงที่จังหวัดเชียงรายนะี่มีอาดีตผู้ใหญ่บ้างคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าแกมีลูกชายคนเดียวนั่นแหละว่างั้น ต้องนะมีแต่ลูกผู้หญิงห่วงเห็นหลายกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมบางเออเามาเจ็บป่วยลงเป็นไข้ลงไปอย่างนี้นะเอเอาหมอมาใส่ยุบใส่ยายัางไงยังไงมันก็ไม่ทุราไม่บรรเทาลงบัดนี้ก็มีไอ้พวกญาติพี่น้องของยาติพ่อยายบ้านเนะี่ ก็ถือเลิกดียามดีเคาะดีเคาะร้ายอะไรหมดนี่นะส่วนมากก็ ว, วิ่งไปหาหมอนี่ให้หมอพยากรณ์ให้ว่าเอาลูกชายของอ ด, ดีพยาบาลนีนะ่เป็นอะไรจะหายได้ไหมอย่างงี้นะหมอก็ทํานายว่าหายได้แต่ต้องเลี้ยงหมูตัวหนึ่งกับเล่าไห้หนึ่งอย่างงี้ ถึงจะหายคนว่าือผู้เยาว์นี่อดีตผู้เยาว์คนนี้เขามีปัญญาเมื่อมีผู้มาส่งข่าวให้ทราบอย่างนั้นเขาก็ว่าเอาสิขอให้หมอดูแล้วมามาม า, มาทําให้ลูกของเราหายเจ็บหายป่วยลงไปละจะไม่ว่าแต่ตัวเดียวสองตัวก็จะให้แบบนั้นเล่าหายหนึ่งก็ยังไม่พอก็จะให้สองหเลยแต่ถ้าหากว่า ไม่มารักษาให้หายเนะียไม่ไม่ไม่เลี้ยงนะไม่เลี้ยงนะต้องให้หายเะ ก, ก่อนถึงจะเลี้ยงในที่สุดหมอไม่มาใกล้เลยไม่มายืนยันเลยว่าจะให้หายในที่สุดลูกชายแกก็ตายอืพอลูกชายแกตายอย่างนั้นแล้วแกก็ปฏิเสธเลยไม่นับถือสิ่งภายนอกที่เขายกย่องว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้จะไม่นับถือเลย เออเ้าวันนี้ก็มีคนผู้หนึ่งอยู่หมู่บ้านแม่อิงบ้านอดีพญาว่านอยู่นี่แหละแกมีนาอยู่ติดกับทั้งหัวนาก็อยู่น้ํำหัน้ําแม่ปิงวันนี้ทั้งหางนาอยู่กว้นกวนก้วนพะเยาเขาเรียกก้วนพะเยานั่นะเองทีนี้แกก็ทําร่องน้ําที่จากน้ําแม่ปิง น้ำแม่อิงไม่ใช่ม่จิตแม่ปิงน้ำแม่ยิ่งนี่ทำร่องไปถึงก้อนตามร่องน้ํานั่นปลามันขึ้นร่องมาตานั้นมันก็มาติดรอบติดไซน์มงแกแกก็ได้ปลาแล้วนะก็ไปขายเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไม่เข้าวัดไม่ฟังธรรมไม่ทําบุญทําทานอะไรกับเพื่อนเลยอืมมันนี่เพราะต่อมานี่แก ไปยามใสของแครช้าวันหนึ่งระวังเอินไปเป็นลมสันนิบาตอะไรก็ไม่รู้เลยแล้วไปตายอยู่ร่องน้ำมันชาวบ้านเหล่านั้นเขาเลยถือว่าปู่โม่เนี่ไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยตายแล้วไม่ได้ไปเกิดที่ไหนแล้วเป็นผีเฝ้านายอยู่นี่แหละบอกนั้นเขาเราถือกันอย่างนั้นอ่าเมันเราเกิดเป็นความจริงขึ้นมาแล้ว่ะนี้ คนทางสะบัดผ่านน้าแกสะพานก็อยู่โคลงกับนาของแกไอสะพานข้ามน้ําไม่ยิงไงนาะยคนไปไล่ไปนาก็ขี่ควายแล้วก็ข้ามสะพานนั้นไปเวลาเสร็จนักไถ่ฆาดตอนเย็นก็นั่งหลังควายผ่านมาที่นาแกก็ข้ามสะพานไปคนเดินเท้าก็เดินทางนั่นก็ข้ามสะพานไปคราวนี้ก็ พวกนั่งอยู่หลังควายเจ็บท้องขึ้นปวดท้องกันอย่างรวดเร็วเอาแล้วก็ไปบนผีผูโมงนั่นลงแหอกขอให้หายคันหายเราจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอะไรอย่างนี้กบบางเงินมันหายเข้าไปก็จะเป็นต้องได้ข่าไก่ข่ า, ขาเป็ดต้มแกงมาเลี้ยงกันนะอย่างนี้แหละไอ้อดีพูดว่าเขาที่แกไม่เชื่อผีเชื่อ มงคนเดือนเก่าแล้นี่แค่สังเกตเห็นว่าแม้วันหนึ่งๆนี่เห็นเป็ดไก่นี่ตายด้วยผีผู้โม่นี่หลายตัวทีเดียวเห็นคนเขาเอาไปเลี้ยงนี่เรือนะเขาเอาไปวงสวง อ, ะอ่ะแค่เชิงมาลพึงนะโอ้ยสงสารสัตว์นะสัตว์ตตมันตายด้วยผีตัวนี้มากไหมเหลือเกิ น, นอ่อไทยหนอที่จะมากําจัดผีตัวนี้ได้บ้า คิดไปคิดมาก็เห็นเจ้พระกรรมฐานเท่านั้นแหละพระกรรมฐานที่สนมากอยู่เมืองเชียงใหม่แกคิดอะ้รแกก็ขึ้นไปเชียงใหม่อันบ้านบอ่อสร้างที่บ้านที่เขาทําร่มขายมีชื่อเสียงยในเมืองไทยใน ว, วันนี้เป็นบ้านญาติที่น้องเองแกไอ้โงรงปู่ท่านมันปไปอาศัยอยู่ระหว่างบ้านสองหมู่บ้านนาะฮะมันมีวัดร้งอยู่กลางทุ่งนั่นแกไปหาญาติแล้ว ยากก็เลยบอกให้ว่าพระกรรมฐานอยู่นี่อยู่วรรงเนี้กลางทุ่งนี่เนี่ยก็ไปหาไปก็ไปเล่าเรื่องอย่างว่านี้ให้ฟังแล้วก็ขอหนิมนมนิมนให้ไปโปรดโอ้ยอาธรรมาที่ไปโปรดได้ยังไงก็ตโยงคนที่ตายอยู่ร่องน้ํานี่ยมันทําบาปกรรมมากมายอย่างนั้นมันจะไปโปรดได้ยังไงกรรมเขามีเอ พอถึงอย่างไรก็ขอนีมนไปให้ได้อุ่นให้ได้ชาว บ, บ้านญาติโยมอะนั้นเขาได้อุ่นใจบ้างเถอะเก๊ก็อ้อนวอนอย่างนั้นเนี่เออถ้าถ้าถ้านี้มนไปอย่างนั้นพอเพียงให้เขาอุ่นใจอาตมา ก, ก็ไปอย่างนั้นแหละแต่อาตมาไม่ยืนยันว่าจะไปไอ้กำจัดผีปู่โมะนั่นให้ได้ไม่ยืนยันเนะวาก็เลยไปเท่านั้นแหละไปเขาก็ไปปลูกกระท่อมให้ที่นาเขาเอนที่ลานเข้านั่นเอง ก็ไปอยู่นั่นคนก็มาทำบุญมาฟังธรรมทุกคืนทุกคืนวันนี้อดีตพยาบาลแ ก, กก็คอยสังเกต ก, การมานี่ตั้งแต่เราไปอยู่ที่นั่นแล้วคนไม่ไปบนผีเลยไม่ไม่ไปวงสงผีแบบนี้แล้วก็ไม่ปรากฏว่ามันเจ็บป่วยอะไรเลยเดินผ่านไปมาข้ามสะพานอันนั้นผ่านน้ำแกก็ดีว่างั้น ก็อยู่นั้นสองเดือนแกแกมันเล่าให้ฟังว่าเราจะหนีโอ้ดีได้ผลจริงๆถ้ามาอยู่นี่นะไม่มีคนมาวงสวงผีปู่โม่หนี่เลยเพี้ยตไก่ตัวหนึ่งก็ไม่ตายวางนนะ น, นี่ก็เรายืนยันแล้วว่าเราไปรับรองไปออกไปให้ญาติโยมได้เห็นได้ทําบุญได้ฟังธรรมเทา่านั้นแหละไม่รับรองว่าจะไปกําจัดผีปู่โม่ ให้หนีจากที่อยู่ของแกเพราะแกห่วงที่อยู่ของแกมากมายอย่างนี้เราก็พูดกันไว้ล่วงหน้าไปแล้วเขาบอกถ้าไม่พูดอย่างนั้นถ้าเผือว่าไปอย่างนี้นะไปถึงเราไปอาศัยอยู่ที่นั้นแล้วผีมันก็ยังเบียดเบียนคนอยู่อย่างนี้เขาก็โดโถูกโรมินเอาสิเทาไหร่มารับอาสามันจะมากำจัดผีให้แล้วผีไม่เห็นหนีอ่ะก็ยังทาคนอยู่นี่ เขาว่าได้เลยเนี่เขาเราก็รู้รอบแล้วโลกเรารู้โลกตัวเราก็พูดกันไว้เลยพอไปแล้วบงังเอิญมันก็เลยเรื่องต่างๆนั้นมันก็เลยสงบระงับลงมาเนี่เอเขาจึงได้ยกย่องสนเสริญอดีตพย า, านาคขออนุโมทนาจํามันสานที่นั้นแล้วจัดถวายนาหกไร่ตามระเบียบของทางคณะสงฆ์เพื่อสร้างวัดเพราะป่ามันไม่มีบ้านแถวนี้มีแต่ทุ่งนากับหมู่บ้านเท่านั้นเอง อ้อาจะมาไม่รับหรอกเพราะว่าสีเจียงจังหวัดเชียงใหม่น้องมีวัดอยู่แล้วนี่แล้วแล้วถ้ามาก็อยู่คนเดียวสะด้วยที่นั้นเนี้ยหนีมานี่ยเราก็ว่างๆหรือมันไม่สมควรจะไปทำอย่างนั้นนะเพราะว่าได้พูดกับญาติโยมแล้วจะกลับมาเข้าพรรษาที่อำเภอสังกะแพงนี่แหละ ถ้าสมาอยู่นี่มันก็เสียสัตว์ที่ผูกกรรมยันโยไมแล้วอยู่ไม่ได้ก็เสียเลกลับขึ้นไปเชียงใหม่ไปจำบันสาอยู่วัดร่างที่เดิมแล้วนะเเรื่องราวเหล่านั้นมันก็เลยเงียบหายไปก็อย่างนี้แหละไอ้คนถือผีถือสางถือเคราะดีเคราะร้ายต่างๆนี้ไม่เห็นว่ามันจะไปกำจัดผีสางนางไม้อะไรได้ ไอ้พวกหมอนี่นะหมอดูหมอเดาหมอสะดอกเคาะหมอปัดลังฟันอะไรต่างๆวันี้อไม่เห็นว่ามันจะไปทําอะไรกับผีกับสางได้แต่ค้นก็ยังนับถืออยู่อย่างนั้นแหละอันนี้อันนี้ที่มันนำมาเลือกมาเล่าให้ฟังนี้ก็เพื่อให้ผู้มาใหม่นี่ได้รู้ไว้ว่าพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าไม่สอน ไม่สอนให้คนเรานั้นหลงไหลนับถือสิ่งสักสิตภายนอกมาเป็นที่พึ่งกาจัดทุกข์ภัยต่างๆออกจากกายตัดใจได้ไอสิ่งที่จะกาตัดจัดทุกออกจากจิตใจได้ก็คือการมาบำเพ็ญสินสมาธิปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นในใจเท่านี้เนี่ย นี่ถ้าว่าบําเพ็ญสินสมาธิปัญญานี่ให้กลมเกลียวกันไปแล้วอย่างนี้สินสมาธิปัญญานี่มันกลมเกลียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันรวมกันเป็นอันหนึ่งลงไปแล้วเป็นมัคคัมังคีลงไปนี่มันก็ขจัดละสังโยชน์ขาดจากสันดานได้ท่านที่มีอินทรบารมีแก่กล้ามากนี้ทัางก็ละสังโยชน์สิบประการ ขาดไปได้เลยสําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าอินทรบารมียังไม่แก่กล้าถึงฝันนั้นมันก็ทำจัดสังโยชนสามเมืองต่ําให้ขาดออกไปจากคิดใจนี่นะคืออะไรสังโยชนสามสักกายญาติภิความเห็นว่าต่างกายหรือขันธ์หน้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาตรงนี้ดับไปความเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนนี่นะดับลง ความเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนเราเขาเกิดขึ้นมาแทนเนี่ยวิจิกิจขาความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษสงสัยในคุณประพฤติธรรมประสงค์อย่างนี้ไม่มีเลยแล้วครับไปหมดความสงสัยเหล่านี้แล้วับไปหมดเลยเมื่อบางความสงสัยเหล่านี้ละ ง, งับไปไอความรู้แจ้ง ควาไม่สงสัยมันก็เกิดขึ้นมาแทนไม่สงสัยยังไงก็ความเข้าใจโดยแจมแจ้งว่าคุณวระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงกำจัดทุกภัยได้จริงขนทานขนสินนี่เป็นที่พึ่งกำจัดทุกภัยได้จริงก็คงจะมีคนถามสอดว่าอา้าว ถ้าเป็นดิพึ่งกำจัดทุกข์ได้จริงทำไมชาวพุทธถึงเจ็บ ป, ป่วยกันล้มตายกันถึงมีบัติกันมีอยู่ทั้งไปเราก็ต้องเฉลยแหละข้อนี้นะไอ้ข้อที่ว่าเป็นทดิพึ่งกำจัดทุกข์ได้จริงหมายถึงความทุกข์ทางใจนรรตหากออันใจนี่สามารถที่จะฝึกให้มันละความชั่วออกไปได้อยู่ สามารถฝึกให้ทําความดีเข้าใส่ไว้ให้เต็มที่ได้อยู่อให้เข้าใจไว้เมื่อเมื่อใจ น, นละความชั่วออกไปได้แล้วทําความดีก็ใส่ไว้ความดีมันก็ทําใจให้สุ้มชื่นเบิกบานหายทุกข์หายโตกไปนี่ที่ว่าคุณหรือว่าบุญคุณทั้งหลายนี่นะเป็นที่พึ่งกําจัดทุกข์ไปได้จริงนีนะ่แต่ส่วนร่างกายนี้ก็ ปัญญาวิปัสนามันก็ชี้บอกอยู่แล้วเนี้ว่ามันไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้ใจไปห้ามมันไม่ให้มันแก่เจ็บตายจะไปได้อย่างไรอ่ะนี่มันก็รู้ทัดรู้แจ้งฮะตามจริงอย่างนี้แล้วยันที่ไปมุ่งว่าให้บุญ้วยคุณนั่นมาอทําให้ร่างกายนี่อยู่ยั่งยืนนานไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ล่ ม, มให้ตายให้ยั่งยืนนานตลอดไปอย่างนี้นะใครจี่ไปกล้า เข้าใจไปอย่างนี้แหละฮะนี่ในเมื่อรู้แจ้งว่าขันห่านี่เป็นอริจยังคุขังอนัตตาแล้วมันไม่เที่ยงหรอเมื่อมันไม่เที่ยงจะไปบังคับให้มันเที่ยงไปได้ยังไงอ่ะจะมีเวทมนตรคาถามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั่นจะมาช่วยทําร่างกายนี่ให้เที่ยงให้ยังยืนได้อย่างไรอ่ะนั่นนี่แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั้งหล น, นับถือนั้นถ้าพูดเป็นภาษาไทยออกมา ก็หมายเอาไอ้พูดทีพีชาดลุกขเทวราูุิว่าเทวรามุนีแหละไอ้ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ตัวมีฤทธิ์มีเดช ส, สามารถจะช่วยมนุษย์ได้หรือถ้าว่าเทวราชั้นสูงกันโดยพวกอากาศเทวราพวกพรหมหุ่นทามหาพรมหมนู่เหล่านี้นะที่โลก ไอ้ทั้งหลายนี่มันคือหมู่มนุษย์เนี่ยสมมุติว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เนี่ยมายเอาสิ่งเหล่านี้แต่แล้วสิ่งเหล่านี้นะใครเห็นบ้างบ้านี้ใครเห็นลูกเทวดาใครเห็นอ่ลูกพระอินทร์พระคมลูกพระอิศวพรพระนารายใครเห็นบ้างมีไหมในโลกนี้ไหนลองไปเที่ยวถามดูสิหไม่มีใครเห็นหรอกอ ยังงมนับเพือกันไปอยู่ยนั่นนี่นี่ถ้ามีผู้ย้อนถามว่าอครูนับเพือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นว่าพระพุทธเจ้าไหมอย่างนี้นะอืมไม่เห็นไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าจะเห็นทำแทนองค์พระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมังปัตติโสมังปัตติ ผู้ใดเห็นทำผู้นั้นที่ว่าเห็นเราจะถาคตนี่เราก็อ้างพาสิข้อนี้แหละก็เมื่อผู้ใดปฏิบัติจเจริญธรรมถาวิปัสนาเข้าไปทําใจสงบระ ง, งับทำอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางเข้าไปก็เห็นคุณพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ไปเรื่อยๆไปที่เพราะว่าบุคคลไอ้ผู้ไม่อบรมสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างนี้นะ มันไม่มีทางมันจะทำกิเลสอันนี้ให้บอบางไปได้ไม่มีนี่มีแต่อํานาจแห่งศีลอํานาจแห่งสมาธิอํานาจแห่งปัญญานี่แหละที่จะมากําจัดความโลภโกรธโงงหรือว่าราคะโทสะโมหานี่อันมีอยู่ในใจเนี่ยให้เกิดแท่งให้หมดไปได้มีเท่านี้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็อาศัยศีลสมาธิปัญญานี่แหละ มัมเพนสินสมาธิปัญญานี่ให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วศินสมาธิปัญญานี่จึงรวมกําลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกําจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปจากพระคันทรัดาลของพระองค์นี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันน่ะ <c oughs> ดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติไปนะฮะว่าทำอาสวะกิเลสให้น้อยบาบางไปได้เท่าไหร่ก็รู้ทัดเลยว่าอ๋อพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้จิตใจของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นี่ ก็ถ้าเขาเห็นองค์อุบเทเจ้าหน่อยสิเมื่อยังละกิเลสไม่หมดนี่ทำไม่เบาบางลงไปก็เห็นพอลางๆเห็นพอลางๆก็ยังดีกว่าไม่เห็นซะเลยแต่ถ้าผู้ใดแล้วเพียรละกิเลสให้หมดสิ้นออกไปจากจิตใจได้จริงๆนี่ก็เห็นองคพอุบเทเจ้ามดทั้งองค์เลยแบบ น, นี้หน่อมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจไว้เพราะว่า พระพุทธเจ้านั้นก็มีประวัติความเป็นมาขององค่าอยู่ในประเทศอินเดียชาวพุทธทั่วโลกกลไปนมันสการปูชนีสารเหล่านั้นเราจะปฏิเสธได้ไหว่าพระพุทธเจ้าไม่มีที่ประตรที่ตัตสรุที่แสดงธรรมจักที่ปรงพรชนมายุสังขารที่เสด็จดับขันเข้าสูพ่พนิพานที่ธนว่าพุทธคยานั่นน่ะ <c oughs> มันยังมีรลักฐาพยานอยู่ต้นโพเป็นที่ตัดสลูของพระองค์พระพุทธคยาเป็นที่ตัดสลูหรอที่ที่เป็นที่ตัดสลูนะต้นโพก็ยังอยู่นี่นยังเป็นส ก, กิพยานอยู่ก็พวกมีศรัทธายัางไปก่อพระเจดีย์ขึ้นวาข้างต้นโพนั้นยังมีรักฐานพยานอยู่วัดเทตวันลาลามนีรูป วัดมันก็ยังเป็นดินเป็นหลังเต่าอยู่สวยงามมีหญ้าแพทย์ขึ้นทั่วไปเลยไม่มีหญ้าอื่นขึ้นก็อาจนั่งไหนก็พอนั่งนั่งลงบนหญ้าแพทย์นั่นเลยอย่างนี้มีรลักฐานพยานมีจงแช้งอยู่เนี่ยถ้าพูดทางเป็นผุทการาธิฐานนะถ้าเป็นพูดทาเป็นธรรมทธิฐานก็อย่างที่ว่ามาได้เลยผู้ดใดเห็นทม ผูนั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าอืถ้าว่าให้เห็นลงไปจริงๆก็เห็นทุกข์เห็นเหตุให้ทุกข์เกิดเห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่แหละเมื่อเห็นอริยสัจเจธรรมทั้งสีนี้แล้วก็เท่าได้เห็นองค์พระพุทธเจ้านั่นเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็กําหนดรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ละเอเห่งทุกข์คือตัณหา การมาตัณหาเพราะวะตัณหาวิภาะวะตัณหาตัณหาสามประการนี้พระองค์ละจนหมดทิ้นลงไปจิตของพระองค์ก็ถึงซึ่ ง, ง, งความสงบระ ง, งับอย่างสนิทสนมท่านเรียวว่านี้โลดคือความดับทุกข์จิตนี่นะเมื่อทุกข์มันดับไปแล้วมันไม่ฟูคอยรับอารมณ์ต่างๆอยู่หรอกมันจมลงไปสู่ความสงบระ ง, งับความเยือเกเยน็นความสบาย นี่เราต้องทำภาวนาลงดูสิถึงจะไม่ได้ดีโลดอย่างนี้นะแต่ทาใจให้สงบลงไปได้อารมณ์ต่างๆแล้วงับไปจา ก, กจิตใจลงไปได้อย่างนี้เราก็ยังเห็นอา น, นิสงส์มากมายขอยกองได้ความสุขความเบิกบานใจหาอะไรมาเปรียบไม่ได้เลยตั้งแต่ก่อนนั้นไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขอย่างนี้มาเลยนี่นะ พอว่าจิตใจมันรวมลงเป็นหนึ่งได้อารมณ์ทั้งหลายนิวรณ์ทั้งหลายดับไปหมดระ ง, งับไปหมดอย่างนี้มันเป็นความสุขที่แท้จริงมันมีรสมีชาติเต็มที่เลยใครทำคนนั้นจึงรู้ใครไม่ทำคนนั้นก็ไม่รู้อืมมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะเพิ่งพากันเข้าใจถ้าหากว่ามีใครมา ตั้งปัญหาถามอย่างนี้นะเราก็ต้องสอบไปอย่างว่านี้นะเลยบอกพระพุทธเจ้าเป็นรูปกระเสดิงเห็นคูณเห็นไหมเห็นเหมือนันนะเห็นอะไรพระองค์เข้าสู่นิพพานนานแล้ ว, วก็เห็นคําสอนของพระองค์ที่ใครเราจะมาแสดงคํามาคําสอ น, นมากมายถึงแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์นี้ได้หนะ่ะในโลกนี้มีหรอเหมื อ, อนกะ นี่พอเราที่แจงฟังนี่เขาก็ยอมเห็นสอบตามได้เลยนี่มันเป็นอย่างนั้ น, นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้ยินได้ฟังกันแล้วก็ให้พึ่งพาการตั้งอกตั้งใจน้อมเอาคำสอนนี่เป็นพินิจพิจารณาให้รู้แนวทางปฏิบัติฝึกผลกายวาจาใจของสนให้รู้ทำเห็นทำของจริงขึ้นมาในใจดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้